ชดินสามพี่น้องทูลขอการบรรพชาอุปสมบทข้อ51ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าโมฆะบุรุษนี้คงจึงมีความคิดอย่างนี้ไปอีกนานว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงแต่ไม่เป็นพระอราหันต์เหมือนเราแน่อย่ากระนั้นเลยเราพึงให้ชดินนี้สลดใจจึงได้ตรัสกับชดินอุรุเวลากรสปะว่า กสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แน่ทั้งยังไม่ถึงอรหันตมักแม้ปฏิปทาของท่านอันจะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือถึงอรหันตมักก็ยังไม่มีลำดับนั้นชาดินุเวลากสปะได้ซบสศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระเจ้าพึงได้การบรรพชา ด้วยการอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัตสปะท่านเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชาดินห้าร้อยคนท่านจงบอกลาพวกเขาก่อนให้พวกเขาทําตามที่พวกเขาเข้าใจต่อมาชาดินอุรุเวละกัตสปะได้เข้าไปหาชาดินเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า ผู้เจริญทั้งหลายเราต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะท่านทั้งหลายจงทำตามที่พวกท่านเข้าใจอดีตเหล่านั้นกราบเรียนว่าพวกกระผมเลื่อมใส ย, ยิ่งในสำนักพระมหาสมณะมานานแล้วครับถ้าท่านจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณนะพวกกระผมทั้งหมดก็จะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณนะเช่นกัน จึงเอาผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ําเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทบศีรษะแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคกลาบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบัพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 อุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายของเราเลยจึงส่งชาดินทั้งหลายไปด้วยสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้ความเป็นไปของพี่ชายของเราและตนเองพร้อมชาดินสามร้อคนได้เข้าไปหาท่านพระอุรุเวลกัตสปะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามว่าข้าแต่พี่กัตสปะพรหมจันนี้ประเสริฐกว่าหรือท่านพระอุรุเวลกัตสปะตอบว่าถูกละ ผู้มีอายุพระมาจันนี้ประเสริฐกว่าหลังจากนั้นชาดินเหล่านั้นจึงเอาผมชดาเครื่องบริหารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ําเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคศพศีรษะแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงกระพึบพรหมจร์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั่นแหลได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นข้อ53ชดินขยากรสปะาได้เห็นผมชดาเครื่องบริการ และเครื่องบูชาไฟลอยน้ำมาแล้วคิดว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายทั้งสองของเราเลยจึงส่งชะดินทั้งหลายไปด้วยสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้ความเปลี่ยนไปของพี่ชายทั้งสองของเราและตนเองพร้อมชะดิน2 0งคนได้เข้าไปหาท่านพระอุรุเวลกัศปะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามว่าข้าแต่พี่กัศปะ พ ร, นนพระม ajar นี้ประเสริฐกว่าหรือท่านพระอรุเวลกัจสป่าตอบว่าถูกละผู้มีอายุพระมจ a รย์ น, นี้ประเสริฐกว่าหลังจากนั้นชัดินเหล่านั้นจึงเอาผมชดาเครื่องบริหารและเครื่องบูชาไฟลอยน้ําเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคศพศีรษาทแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า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 ผ่าฟืนห้าร้อยท่อนไม่ได้กลับผ่าได้ก่อไฟไม่ติดกลับก่อไฟติดดับไฟไม่ได้กลับดับไฟได้ด้วยการอธิษฐานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตภาชนะใส่ไฟไว้ห้ารอยชุดปาฏิหาร 3,500 ัวิธีย่อมมีโดยในนี้